ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายัสิ่งทำจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้คงเป็นการบรรยายพะสูตร์ในมัชฌิมานิกายมูลปานาทีเช่นเคยวันก่อนเราได้พูดถึงมทุปินทิกระสูตรมาหลายวันในส่วนอัตตกถาก็ ได้อธิบายผสมคงคืนกับไปแล้วงั้นในวันนี้ก็จะพูดถึงพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเรียกว่าระเวธาวิตักระสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยวิตกการเหนียวนึกตรึกนึกภายในใจของมนุษย์เราแต่ลักษณะจริงๆแล้วก็เชื่อมโยงกับพระสูตรที่แล้วเพียงแต่ว่า ประสูตรนี้มาเน้นในช่วงของวิตกแต่ประสูตรแรกนั้นจะพูดมาจากอายตนาภายในภายนอกปิญญาสัมผัสเวทนาสัญญาแล้วก็มาถึงวิตกเหมือนกันวันวิตกคืออาการตรึกนึกภายในใจของมนุษย์มันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมนุษย์แต่เราเห็นว่าเป็นกระบวนการทางจิต ปัาวจ่จิตใจของบุคคลได้ผ่านระบบการศึกษาอบรมมาอย่างไรหรือสิ่งที่มองอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าพื้นฐานในด้านจิตใจเนี่ยคนไม่เหมือนกันและความแตกต่างเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นความแตกต่างนิรันด์โอกาสที่จะปรับสภาพจิตคนให้เสมอกันเนี่ยมันจะต้องผ่านการฝึกปลืออบรมมาด้วยกัน ตอนนี้ถ้าเรามองดูอย่างยกยกยกตัวอย่ยยางว่าคนกลุ่มใหญ่มากๆเนี่ยเห็นว่ากลุ่มของพระเจ้าพิมพิสารคึองตัวเลขท่านบอกก็มีถึง12นักบุตคือหมายความว่าก็แสนสองหมื่นคนในคนจำนวนแสนสองหมื่นคนนั้นเนี่ย แก่อนที่จะลงตัวมาฟังเทศรู้เรื่องจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีการปรับสภาพจิตมาโดยลำดับคือถ้าเราอินสีห้าเข้าไปจับร้อยเจนว่าเรื่องก้นด้วยศรานี้แกว่งเพราะท่านเกิดสับสนวรว่างพระพุทธเจ้ากับรุเวลากรสปะนี่ ใ, นใครเป็นครูใครเป็นลูกศิษย์ เพรเมื่อศรัทธามันแว่งเนี่ยปัญญาไม่มีพลังพอต่อการวินิจฉัยและสติเองก็ไม่มีข้อมูลที่จะระลึกได้และจิตใจเลยไม่หนักแน่นมันคงแต่ความพยายามที่จะขจัดบาปหรือป้องกันบาปหรือเจริญกุศลหรือจะเริญเริเอ่อรักษากุศลเนี่ยมันก็เดินไม่ได้เพราะปัญหาใหญ่ก็คือว่า จะต้องกระจัดความคลืบแข็งสงสัยให้ได้สิกว่าแต่ว่าถ้าพระเจ้าจะแสดงเองเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนหน้าใหม่สมับคนกลุ่มนั้นก็ เ, เป็นการเสด็จครั้งที่สองของพระองค์แต่ในครั้งแรกสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ตอนทรงประนต์ใหม่ๆ ผสมควเห็นจริงๆก็คือพระเจ้าพิมพิสารกับพวกอมาตะที่ตามติดตามพระองค์ไปดูว่าเป็นใครมาจากไหนพักอยู่ที่ไหนแต่ว่าคนที่ได้คุยจริงๆก็คือพระเจ้าพิมพิสารคนอื่นก็ยังไม่ได้คุยกันแตในขณะเดียวกันเวลากระสปะนี่ท่านเป็นคณาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์อยู่ในแคว้นมคธมานานแล้วก็ไปที่รู้จัก ของประชาชนในแควนอังาาคาเมคอตส่วนจะบ้างน้อยแค่ไหนก็คงเป็นอีกเรืองหนึ่งนะไปรายละเอียดแต่ว่าการจะแก้ความเครือแ่ายสงสัยของคนเหล่านี้ก็คือต้องใช้น้ำยอกน้ำบงก็ให้ท่านอุลุเวลาการศันีแก้ความข้องใจสอองสัยตัวเองหรือพระเจ้ารับสั่งถามว่าการศักดทำไมเธอจึงละวิธีปฏิบัติ ทรมานร่างกายโดยการย่างไฟแล้วทำไมยิ่งทอดทิ้งเสียราอุรุเวลากาสปะก็กราบทูลในสงสาบว่าผู้พิธกรรมเราเนี่ยมันสันเสริญรูปเสียงกรีดรสัมผัสหน่วยความว่าปรารถนารูปที่มันไป น, นิีงขึ้นนะ่ทรมานร่างกายเพื่อเกิดเป็นตะบะเดชะตายไปก็จะมันเกิดเป็นเทวดาก็มีเทวด า, าเต็มไปหมดเลย ก็อย่าปนปลือตัวเองมากกว่าที่จะประจางคลายของกิเลสแล้วก็ตอนปลายเนี่ยท่านก็แสดงให้เห็นถึงอนุภาพใหม่ที่ท่านไม่เคยมีนั่นคือการเลื่อนลอยตัวเองขึ้นไปนบนอากาศแล้วก็ลงมากราบแทบบาทพระพุทธเจ้าก็ประกาศดังๆนะเพราะว่าคนมันเป็นแสนนะ ก็ให้เห็นปรากฏว่าพระพระพระอรวลากาสปะมากราบที่บาทพระพุทธเจ้าถ้าเราดูวัยตอนนั้นพระเจ้าก็แค่สามสิบหกรุหกาสปะก็ต้องแก่กว่าหลายปีคนทั้งหลายก็ขจัดความเครื่องแครงสงสัยไปได้สติก็ระลึกได้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาปัญญาก็ตํดแนกแยกแยะได้อย่างเจนจิตมันก็เดินหักจิตมันก็สงบพร้อมที่จะฟัง ผู้เจ้าทรงแสดงธรรมท่านเหล่านั้นก็บรรลุมักผลเป็นพระโสดาบันถึง1นงแสนหนึ่งมืนแล้วก็ประกัศตนถึงพระเจรนาคมถึงหนึ่งหมืนเขาเรียกว่าส2บสองนหุ่เห็นไหมว่าการการการจะปรับจิตคนให้อยู่ในสภาพสม่ำเสมอกันเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการ ในการฝึกปรืออบรมแล้วก็ปรับสภาพเป็นล้อมต่างๆะอะไรแท่ไหนกว่าจะพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดเดียวกันได้เนี่ยก็เรื่องใหญ่นะแม้แต่พวกปันเดคีเราลองสังเกตุพวกปันเดลคีนี่ที่จริงท่านก็อยู่กันมาทั้งห้าปีแต่ว่าตอนพระเจ้าแสดงปฐมเทศนาปรากฏว่าท่านก็ไปได้แค่รูปเดียวพระเจ้าก็ต้องออกมาปรับปรับ C, อินทรีย์ขั้นตอนเหล่านั้นให้เกิดความพร้อม แล้วต่อมาก็ส่งแสดงอนัตตลกนัสูตรเป็นที่ทราบกันพระเรื่วิตกเนี่ยก็เป็นรุ่นใหญ่คือบางครั้งเนี่ยเราใช้คำสังกระปากือสั่งกระปากวิตกที่จริงตุลเรื่องเดียวกันนั่นแหละคือสิ่งที่เรามาดำริกับสิ่งที่เรานำมาจดนึกนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็สิ่งอยู่เบื้องหลังก็เหมือนกันยกตัว อ, อย่างเช่น ท่านสนใจบริพาษุกกับกลุ่มภาษาดิบุตรก็มีลักษณะเทียบเคียงได้อยังงั้นน่ะถึงหมายความว่ามันก็อยู่ที่ที่คุณคิดยังไงอ่ะพรู้เจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วก็มีบุคคลที่เป็นตัวอย่างฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วบรรลุผลเป็นตัวอย่างให้ดูข้างหน้านี่แหละคืออุปจิจสกับโกลิตะหรือภาษาดิบุตรกับพรมกัลลานะ เดี๋ยวท่านสัชใจท่านไปไม่ได้ท่านโปรงไม่ตกเพราะอัตตาท่านใหญ่มันมีความรู้สึกว่าแม้คนระดับเราถ้าไปเป็นลูกศิษย์าศรราสดาหนุ่มๆอย่างนี้มันก็เหมือนกับจับจระเข้เข้าไปใส่ในตุ่มมันสูญเสียอิสรภาพเห็นไหมเป็นความดลิผิดอย่างเดียวแล้วก็ประสาริบุตรก็เริ่มที่ความดริชอบในสุดอาจารย์กัศิษย์หนหลังให้กันเลย อาจารย์ตกน ร, รกหมอกไหมไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าลูกศิษย์กลายเป็นพระหันระดับอีตตะคะาเลยผลการการการตรึกนึกจริว่าเป็นรุ่ใหญ่อย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงเนี่ยผลสรุปใหม่ๆเขาส่งเน้นที่กามแต่เราอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิด จ, จากจากิตที่ดำริ พอเรากำหนดอารมณ์หน้าค่ายหน้าปรารถนาหน้าพอใจเราก็ดําริรีดหน้าของใครกําหนดอารมณ์ว่าไม่หน้าใค่ายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเรากําหนดว่าน่าเกลียดหน้าชิงชังหน้าเครียดแค้นอะไรก็แล้วแต่มันจะแรงขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ชัชดเจนเราก็เกิดอาการของโมห์วันที่ทรงแสดงเนี่ยว่สังกับปกาโมสังกับปกาโมสังกับปา ร, ราโกบริสัทสกามโม ความดังรินี่เป็นการมของมนุษย์ผลความดั่ริก็เป็นความโลภของมนุษย์ความดั่ริก็เป็นความพยาบาตของมนุษย์ความดังริก็เป็นโมหะของมนุษย์ความดั่ริก็เป็นความสงสัยของมนุษย์ก็หมายความกิเลสเป็นเหตุใดั่งรีในอารมณ์ที่เรามาดั่ริมันก็ไม่อื่นไปจากรูปเส้นเิโทรคุตภาพธรรมารมณ์แต่ว่าพื้นฐานระดับสติปัญญาของเราเนี่ย มันมีมากน้อยแค่ไหนเป็นไรละในที่นี้ได้ทรงแสดงทรงแยกวิจดกออกเป็นสองส่วนข้อความในตอนต้นก็ลักษณะโครงสร้างเดียวกันกับพระสูตรแรกพระเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตะวันแล้วก็รับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาพิสุทั้งหลายก็รับคําพระพุทธเจ้าแล้วก็มาประชุมพ้องกัน รับสั่งเล่าเล่าอดีตเล่าอดีตของพระองค์ว่าพิสูจทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัต ร, รู้ก่อนแต่สัต ร, รู้ทีเดียวได้คิดอย่างนี้ว่าถ้าอะไรเราพึงแยกวิตกให้เป็นสองส่วนสองส่วนดังนี้ตัก่อนพิสูจทั้งหลายเรานั้นจึงแยกการวิตกพยาบาทวิโตกและวิญสาวิตก นี้ออกเป็นส่วนหนึ่งคือนี่พวกเ ร, เรียกอกูส่วนวิตกแต่ถ้าเป็นสังกปะเขาเรียกวิชาสังกปะก็คือเหมือนกนันนะแล้วก็แล้วก็แยกให้ขมาวิตกอภิยาบบิตกอวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนที่สองก็หมายความว่า แ, แนวเนี่ยมันก็ก็แนวเดียวกัน มิตรานุปัสนาสติปทานที่เคยพูดในสติปัฏฐา น, นสูตรคือหมายความว่าให้จิตเราเปีนเน่ยวนึกด้วยอํา น, นาจของอะไรล่ะาการวิจกพยาบาทวิจบทวิงสาวิตกก็เป็นเรื่องจะต้องบรรเทาลดร้าร้จางคลายลงไปเพราะมันระตุสลายต่อจิตทําให้คุณภาพของจิตมันตกต่ําแต่ถ้าจิตมันเปีนเน่ยวด้วยธรรมาวิจก อพยพบาดวิตกอวิงสาววิตกมรนก็ประคับประคองไว้รักษาวไว้อาการวิตกนั้นคือการเนียวนึกดึกนึกด้วยอํานาจของความใค่ในสิ่งที่ตัวเองใค่มันอาจจะเป็นสมบุญบาลีไปหน่อยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้สิ่งที่เราใคร่เนี่ยถ้าเราไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ค่เราไม่ใคร่าหรอกเออคล้ายๆกับ ที่เคยยกตัวอย่างาเหมือนกับตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเรามีวุฒิภาวะมีสติปัญญาเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็มองตุ๊กตาเป็นของเล่นมันไม่เกิดโลภะที่อยากได้เพื่อเล่นแต่ถ้าจะซื้อก็หมายความว่าซื้อด้วยกรุณาต้อลูกหลานแต่ถ้าเด็กเนี่ยแกจะกําหนดว่าหน้าใครอยากได้เลยเป็นตุ๊กตา หรือเหมือนกับท็อปฟ่เหมือนอะไรแต่อะไรต่างๆในของของเล่นของเด็กของยินของเด็กเนี่ยเราที่เป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่คิดอ่ะนั้นแสดงว่ามันอยู่ที่เราคิดถึงมันในแง่ใดถ้าเรากําหนดด้วยความกําหนดัดความกําหนัดก็เกิดเพราะนั้นในในกรณีเนี้ยเรียกว่ากําหนดด้วยความกําหนดัดแต่ว่าที่กําหนดอย่างนั้นะเพราะกิเลส น, นี่หมายความว่า ไอ้กรรมราคะกริกามาาาัญันทักกตีบางทีก็การมามตันหาการมารมไปลาหะก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องของความเข้มข้นพิเศยแต่สแสดงว่าเรามีกิเลสกรมอยู่ภายในใจทีนี้สมมติว่าอารมณ์หล่นนั้นแหละเราก็สัมผัสแต่ว่าจิตมันเป็นแต่จิตที่ปลอดกิเลสปราศจากกิเลส พระหานก็สัมผัสรูปเสังเกตโนทหัวธภาธรรมรมเช่นเดียกเรานั่นแหละแต่ว่าท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กําหนดด้วยความกําหนัดหรือด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือด้วยความคิดเยียบเบียนแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตท่านก็มองด้วยกรุณาเย่างเดียวถ้ายังอื่นมันก็สั่บแรูปสั่บแต่วเสียงสั่บแต่บุตรสั่บแต่วรรคไปคนนั้นก็ไม่สามารถจะ ลกล้กแพะกระทันใจของท่านให้เปลี่ยนแปลงหรืออ่อนไหวไปตามลักษณะอาการของเขาได้แต่ย่างที่บอกว่าพวกนี้ก็คือธรรมะเหมือนกันเดี๋ยเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลอกุศลหรือว่ก า, ากุศลก็ตามคือเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ทำจิตใจของใครก็ไม่รู้ให้เป็นอย่างที่เขาเป็นด้วยหมายความมาคอรบรุงแต่งจิตของใครเนี่ย ปต่จุดก็จะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในรอมรมอดนั้นด้วยอำนาจความพยาบาทในรอมรมอดนั้นด้วยอำนาจความคิดบิดเบี้ยนในรอมหลอดนั้นทีนี้ในด้านตรงข้ามเนี่ยด้านกุศลเนี่ยเนคขมาวิตกคือความตรึกนึกความเหนียวนึกมองเห็นโทษของกรรมมองเห็นโทษของกิเลสภายในมองเห็นโทษของวัตถุที่เราไปยึดจิด ไปคอยคว้าไปปรารถนาไปถือครองไปครอบครองไปดิ้นรนขวนขวายสแสวงหากันด้วยประการิยาตา่างๆแต่อเออจริงเราก็ไม่ได้ครอบครองจริงแล้วก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งหลายล เ, รเราทั้งไปโดยเฉพาะความคิดเหล่านี้ถ้าหากว่าเราคิดเป็นนะนะเราคิดเป็นการครอบครองวัตถุของโลกเอาไว้มันไม่ใช่ของเรานะตรงนี้จริงๆเป็นวัตถุของโลก เราก็เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแค่นั้นเองแต่ต่ามากเกินไปก็ก่อให้เกิดปัญหาสารพัดทีการยื้อแย่งมีการตอ่อสู้มีการลระหาตรตาวกันเหมือนกรอนดูข่าวก็ปรากฏว่ามีหนุ่มสามคนไปขี่รถแท็กซี่เดี๋ยวก็ซ้อมจะเลือดโชคเลย ก็ปรากฏว่าตำรวจจับได้นะฮะโอท็กซี่ลูกข่าว็เฮกันมาเลยโอซ้อมซีเยอะเลยตำรวจก็กั้นไม่ไหวนะฮะเพราะว่าแท็กซี่มันแคนมากแต่แท็กซี่คนที่ถูกซ้อมถึงเลือดโชคเนี่ยเขาบอกวันนี้ถ้าไม่ผิกดกฎหมายเนี่ยแล้วไม่ต้องขึ้นศาลรหรอกให้ผมซ้อมเขาเลยนมะ นั่นคือแสดงเห็นว่ามันเกิดมาจากโลภะเป็นโลภะแบบโง่มากๆเพราะอะไรเพราะแท็กซี่นี่ก็จะมีสตังค์มากมายอะไรนักหนาเราคุณจบต้นเขาอะเงินสองพันนี่หายากนะ่แท็กซี่แม้แต่พันก็บุญแล้วเราเห็นว่าการต้นนักแสดงนี้คือโง่มากๆแสดงว่า เป็นตันหาหน้ามืดอ่ะอาการเขาโบหะกก็แรงอาการกโลภะก็แรงกากับควบคุมตัวเองไม่ได้แตาจริงๆแล้วเนี่ยแท็กซี่เขาก็อาหารเช้ากินขํามเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละแต่พวกคุณขี้เกียจ เ, เฉยๆแต่คุณขยันมันขยันทำงานแต่แท็กซี่ก็เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่นี่มันต้องการสะดวกเกินไป ที่น่าคิดก็คือว่ามันเด็กๆอย่างเด็กที่ไปซ้อมครูที่จังหวัดนราธิวาสที่ก็จับได้หนึ่งคนหนึ่งอายุสิบเก้าปีเพื่อจเห็นว่าเด็กพวกนี้จะต้องไปเรียนรู้อะไรมาที่ผิดๆแรงๆเพราะอย่าลืมว่าคนอิสลามเนี่ยเขาอยู่เยอะไป ที่บ้านมาก็มีเยอะอิสลามแล้วที่วัดอามาอยู่เนี่ยก็ฝั่งหนึ่งนอีฝา่ถนนเนินต่อแคบๆเดี๋ยวก็เป็นอิสลามซม่ ม, มีปัญหาอะไรอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เราก็ไม่เห็นว่าอิสลามก็มีปัญหาอะไรแล้วก็ที่อำเภอที่อา ม, มาเกิดก็มีอิสลามแต่ว่านครจะมีเยอะนะอิสลาม ขนาดสอสอสมัครอิสลามอย่างได้รับการเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคนแหละแต่บางทีก็อาจจะสองคนไมทังไปแล้ว่าเด็กันนี้เด็กอายุแก่สิบเก้าปีเนี่ยคือถ้าเอามาทำความเข้าใจมาพูดคุยกัน มันก่อนฟังคุณคุณหญิงแสงเดือนสยามมาลาซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ายกย่องนะฮะเป็นอิสลามอิกระชนที่เคร่งครัดมากแล้วก็ท่านแสดงเปิดเผยคือสนับสนุนให้รธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็น่านิยมคือไม่เป็นละครจริงอะ่ะละครจริงที่ว่าประชากรจํานวนมหาศาเนี่ย แล้วเขาก็นํำสื่อพระาศาสนามาแล้วก็าศาสนาเป็นจุดยุดเหนี่ยวร่วมกันของชาวพุทธในการรักษาชาติในการกู้แผ่นดินาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติจะไม่มีปัญหาอะไรแกะกะเลยนเรามองดูลูกหล่ะแม่ของครูจูหลิงเนี่ยครับแล้วก็เป็ น, ป, นประชาชนธรรมดาแล้วพูดเพราะมากกว่านั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยเขาถามว่าที่จริงก็ถามคุณพ่อคุณพ่อรูปไม่ไหวใจใจใจสุดมากเลยพูดไม่ออกแล้วคุณแม่ก็พูดแทนบอกว่าอยากจะพูดกับคนที่ซ้อมลูกสาวนี่ยังไงเก็แบบอกว่าต่อไปก็ให้เป็นคนดีอย่าไปทำอะไรอันตรายอะไรแกใครอีกให้ตั้งตัวเป็นคนดี แม่ไม่ว่าอะไรหรอกแม่ถือว่าเป็นกรรมของลูกแม่เดี๋ยวคนที่ทำเนี่ยอย่าอย่าไปทำชั่วอีกนั่นคือจิตเมตตาแล้วก็ให้อภัยแล้วยิงคนอิสลามเนี่ยก็ทำได้อย่างเงี้ยไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นพื้นฐานมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะนพื้นฐานมนุษย์ธรรมดามธรรมดา พันจิดมันต้องเห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของราคะเห็นโทษของกาเห็นโทษของพยาบาทเห็นโทษของการบิดเบือนและทุรายการจึงคิดที่จะออกจากการรมถ้าเราลองดูตอนอย่าลืมว่าตอนนี้พระเจ้ารับสั่งเล่าถึงพระองค์นะครับแต่ว่าตอนนั้นทรงประหนดแล้วถ้าเรามองดูว่าก่อนที่จะเสด็จออกผนวดเนีนะ่ย มันก็เกิดในขมับวิตกขึ้นคือตรึกนึกที่จะออกจากวังวนในเรื่องเหล่านี้โดยเห็นว่าชีวิตที่หยุดในวังเนี่ยจริงเป็นชีวิตที่ส้าสางคกอถ้าเรามองโดยในจิตที่อิสระจากอารมณ์พอสมควรนะฮะเราจะรู้สึกสงสารน่ะท่ามกลางวงล้อมอย่างนั้นที่จัดปรุงแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะ ในคำพีรุธนตัตตกถาบอกว่ามีสาสันกับมันในถึงหกหมื่นอาจจะมากไปหน่อยนะฮะแต่ว่าแสดงมาเยอะแล้วตลักษณะาทางสังคมยุคนั้นมันมันเป็นยุคสุดขั้วคือเป็นสังคมที่ประกอบด้วยวัุนธมสุดขั้วกับตะกีลามาธนยกสุดขั้วเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าไอ้กิเลสสองกระแสนี่คืออุเทนทิฏิกะสกตทิฏิ มันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลครอบงำสังคมในยุคนั้นแนวอุเฉททิฏฐิเนี่ยมันก็คือแนวที่ตนปลื้มตัวเองถรืว่าชีวิตจบลงในความตายตอยากได้อะไรก็อยากก็อตอบสนองความต้องการเข้าไปจนถึงมีระบบปรัชญานะโลกายตะ ม, มันมีระบบปรัชญาเลย คือถือว่าการปรุงปือตัวเองด้วยการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยถือเป็นสุดยอดเป็นเป็นเป็นเอกันตะบรมสุขนะเป็นสุขที่สูงสุดเพราจะต้องปรุงปือปรุงปือปรปือปรปือปรปือมันก็มีความคิดที่ที่พวกเนี้ยเราออกมาในที่สุดบันเป็นเป็นตันตระที่หลังน ออกมาเป็นตันตระแล้วก็เข้ามาบ้านเราก็มาเข้ามาในพภพสาสนากต็ตอนนั้นก็เรียกว่ากวัฏยานเป็นยานลับๆแล้วก็เราก็ออกมามเป็นมวลตรียานแล้วก็องนี้พอมาถึงลางกาในเรียกว่าวัยจุละพอมาถึงพม่าเนี่ยเรียกว่าครัวรีแล้วในการต่อมาตอนก็เข้าไปที่เบต ก็บนตาริยานเข้าไปกระท่านสันติรักสินำเข้าไปแล้วก็ไปะสมบนเบเกลทิปอนปักแล้วก็พัฒนาตัวเองนะฮะปรับตัวเองขึ้นมาเวลานี้กลายเป็นวัชรยานก็ไม่เลอะเทอ่างสบายนั้นแล้วนะมีบางพวกรู้สึกอย่าพวกหมวกแดงพวกเดียกระท่านตะไราลามะเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีผู้ครองแต่บางพวกก็ยังมีอยู่ เพราะอะเพราะว่าเขาไปให้ความต้องการเกกับเรื่องเหล่านี้เขาเรียกว่าทฤษฎีห้าหมอหมอก็คือมงังมัจฉะหรือปัศยะคือปลากินปลามังสะคือกินเนื้อแล้วก็ไมรยะคือดื่มเหล้าแล้วก็มุธระคือมีสาวมาไร่รำปลนปลือยโยวยนกระตุ้นการมราคะเลยจะจบลงด้วยด้วยไมโทนะเพราะโดยจะทอดสังคมยุคแรกมันจะมีลักษณะอย่างไร แต่พระโพธิสัตว์เองเนี่ยพระไทยท่านท่านจางคลายจากการรมมราคะไปมากคือถ้าเราลองคิดดูว่าท่านทมพิธีก็แต่งงานน่พูด ง, ง่ายว่าแต่งงานเน่เมื่อพระสันษาได้ส6บหกบหกถึงยี่บกถึงย9ก็ส3บสามีก็มีพระโอรสองค์เดียวทํากลางสาวสันกันนานไหญ่ใหญ นั้นก็แสดงวลักษณะของเนคมะสังกปะนี่คือราคาตัาหามันมันลดลงไปคุณมันมีความชัดเจนที่พระเจ้าทรงแสดงว่าฮีโนคโมปุทจินีโกนริโยนัตตานิโตเนี่ยนั้นแสดงสาภาพของกามารมณ์หรือกามาคุณทั้งหลายเนี่ยว่าเป็นของดาาๆทั่วไปการกินนอนกลัวเป็นทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแล้วก็ไปดูในชาวบ้าน แล้วก็กิเลสต้องแรงนะฮะกิเลสต้องหนาเรียกปุถุชนิโกคือ ก, กิเลสหนาและอนาริโยไม่ใช่เป็นการกระทำที่ดเสื่อเอาเข้าจริงมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็จบลงที่ตาจากโลกนี้ไปแต่ในขณะเดียวกันในแนวหนึ่งมันก็กลายเป็นแนวของสาสนาพุทธคือความไม่เที่งแท้แน่นอนแล้วก็ยังย่อยเอาไปอีกนะฮะพวกันพว ก, พวกทิชิตมันจะออกไปเยอะ จะสรุปกเกี่ยวกับเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับชีวิตมันจะออกเป็นสองกระแสเพราะการอยู่ในท่ามกลางตรงนั้นเด้คิดออกจากการได้นี่แสดงอูจจรยยิ่งใหญ่มากๆเลยมันสลัดพันธนาการจากภาพจำเจซ้ำซากเออถ้าเราปล่อยจิตเลื่อนไหลนะฮะมันก็ไหล แต่ถ้าเราคิดเป็นเรามองเป็นเนี่ยแม้จะมีไร่ระบำมาได้รำอะไ ร, ต, ไรต่างๆหรือจะมองด้วยความสงสารนะบริษัทขุนหลวงนั้ น, น, ล น, นแล้วก็อย่างที่พระสารีบุตรท่านเห็นพระสารีบุตรเนี่ยท่านออกบวชเพราะดูการไร่รำนะฮะการได้รำการแส ด, แดงมรสรบบญภูเขาที่ลอ้อมกรุงราชพฤก์ อ, อยู่ไปดททูทุกวัน แล้วก็สนทนสนานกันไปมันพอปัญญามันเกิเดเแต่ยมันคิดอีกเรื่องนึ่งเลยมัคิดอีกเรื่องหนึ่ง เ, เ, ร, งงเรื่องเดียวกันนั่นแหละที่เห็นหนั่นแหละแต่คิดอีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นก็เขาเรียกว่านี้คธรรมาสังขปะคือมองเห็นโทษของปุวัตถุที่ไปยึดเกาะ อ, อยู่เนี่ยแล้วพ้นได้ไหมเราก็ตายตอย่างยกตัวอย่างว่าเสียสานาบดี เสียเซนาบดีนั้นไปปราบปัจจันชนบทได้ได้ชนะภูกริยัลิศวิก็ให้รำวันสาวนักรบบำคนหนึ่งให้ไร้รำแต่สาวเขาก็ประการจะได้รำให้ตัวมันอ่อนช้อยก็เลยอดอาหารอดอาหารมันก็ได้รำมากก็เหนื่อยเหนื่อยพี่หิวก็ผลทีท้า้เป็นลมตาย ท่านกำบังดื่มเล่ากลืนปือตัวเองสนุกสนานพอนางระ บ, บังตายก็เลยก็ช็อกเลยก็อยู่บนหลังช้างพระพุทธเจ้าเสด็จไปโกดเมาอยู่บนหลังช้างเลยพระเจ้าทรงเทศแนะนําให้ได้สติตั้งสติได้สั่งเมาบรรลุมรรคผลเป็นพระหันเลยนะบนหลังช้างเลย เนไหมมันมาจากาโศกอย่างจังแรงเลยโสกอะปิเทวะทุกขโทมนาฏอุปาญาตเลยฮนะมันมันเป็นกระบวนของของไปกินกนะครับทุกที่เพราะว่าท่านไปเสดตัวมรณะทุกที่มันจะเกิดแก่ใครเมื่อไรที่ไหนยังไงก็ไม่รู้จใจท่านทําไม่ได้จะรับไม่ได้พอพระเจ้าทรงแสดงครับท่านก็บรรลุมผลเป็นพระหานั้นแสดงถึงว่าลุกลุกเนี่ย ก็คงเป็นท่านเมาเล่าด้วยนะหะเมเลาโดยจึงเพลินไปกับการไร้รำโดยจึงมันก็ไม่ได้ไม่ได้สาระอะไรขึ้นมาแล้วก็ความตัหฑิในการอัพญาปาระอัพญญาปาสังไอ้ไม่ใช่อัพยาบาทวิตกุกคือสุดนึกด้วยความไม่อาฆาตเียมบาทโดยเจ็นว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมจี คือส่วนใหญ่คนก็ดีมากไงนะแต่คนไม่ดีบ้างมากสั ง, งคมก็คงมาอยู่ได้แคนั้นเนี่ยแต่มันมันแนวปัจจุบันเนี่ยเราเห็นมันแนวอาฆาตมารร้ายเนี่ยมันมากเกินเหตุเกินผลโดยเฉพาะในแวดวงการเมืองในแวดวงกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองแต่ไม่กล้าเสี่ยงเอาลงมาให้ประชาชนตัดสินใจเนี่ยตั้งป้อมขึ้นมาเรียกอย่างงั้นเรียกอย่างนี้เรียกอย่างนั้น มันไม่ใช่มีลักษณะสร้างสรรค์แต่ว่าคล้ายๆกับอาฆาตพยาบาทต้องการจะให้ตายตกไปตามกันอะไรตหนอ น, นั้นเป็นวามคิดแรง่งน่ากลัวเดี๋ยเราก็เราก็ดูเราก็สะลดกันนะเป็นในฐานะพระเราก็มองด้วยความสลดแล้วก็สงสารเขาว่าทําไมเธอเธอไปแค้นอะไรอะ่ะเธอไปโกรธอะไรเธอไปแค้นอะไร และสิ่งที่เธออยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็ไม่ได้มาด้วยขั้นตอนในทีนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดให้เป็นน่ะมันพลิกจิตทีเดียวอย่างที่บอกว่าเราพลิกจิตทีเดียวแต่ละเรืองมันพลิกได้หรือเปล่าอย่างเวเนี่ยพยายามที่จะคุยพยายามที่จะพูดแกับพวกพระในกลุ่มที่เราพอจะพูดได้นะฮะ บ า, บางครั้งก็พูดท่นตรงๆเลยว่าท่านบวชมาเนี่ยถ้าหากว่าท่านทำลายความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นธรรมยุทธ์เป็ น, ม, ปนมานิกายเป็นพระภาคนั้นภาคนี้ เ, เป็นจีนนิกายอ น, อนามนิกายมหายานเทรวาดไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ป่วยการเนาะเพราะว่ากิเลสหยาบก็คือเนี่ะคือความเป็นเราเป็นเขานี้มันไม่มีนะฮะโดยธรรมชาติ แปล ว, ว่ากิเลสมันบงการสั่งการมันเองทีนี้เราจะลองสังเกตว่าถ้าเรามีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเนี่แล้วจิตมันเวลาสัมผัสอารมณ์ว่ามันจะเกิเด ย, ย, ยินดียินร้ายยินดียินร้ายยินดียินร้ายาก็สรุปเลยว่เกิดต่อกันไปเป็นแถวโทสะโลภะโทสะโลภะโทสะโลภะมันก็เกิดเกิดต่อเป็นแถวแล้วก็อาจจะขยายตัวเองอย่างที่เคยบอกว่าอาจจะ นำไปสู่เช่นว่าโทสะเนี่ยอาจจะนำไปสู่โทสะ ต, ต, ต่อหรืออาจจะนำไปสู่โลภะ ต, ต่อหรือว่าโลภะเองก็อาจจะนำไปสู่โลภะต่อหรืออาจจะนำไปสู่โทสะ ต, ต่อก็กลายเป็นกระบวนการของกิเลสที่มากํากับควบคุมจิตตัวเองเพราะถ้าดําริก็หมายความเห็นโทษของตัวกิเลสคือพยาบาทและเห็นโทษของการพยาบาทในคนคุณมันถามมันได้อะไรอะ่ะ พยาบายกันไปมันได้เลยจนจึงก็บบางคนน่อยากจะข่นฆ่าให้ตายอแอาละถ้าคุณไม่ฆ่าเนี่ยเขาไม่ตายแหละคือเราอย่าลืมมาการฆ่าคนเนี่ยมันคล้ายๆกับเราเรูสะใจอะในที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการสร้างพันธนาการตัวเองที่เรียกว่าจุดรั้งตัวเองล ง, งสู่นรกเลย คนที่เขาถูกเราฆ่าตายเนี่ยเขาตายเร็วขึ้น่นั้นเองเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าใครแล้วไปฆ่าทำไมก็ในที่สุดคนนั้นเ็าตายเร็วขึ้นนั้นเองเราอาจจะตายช้าหน่อยแต่ว่าเมื่อหลังจากตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำบาปแรงจะต้องตกนรกแต่เรานี่บาปฆ่าคนนี่แน่นอนว่าไปนรกแน่นะ เมื่อเราเห็นว่าถ้าเรามองระยะยาวเนี่ยการตามใจกิเลสเนี่ยเป็นความโง่มากๆโลภจัดก็ดีราคะจัดก็ดีโทสะจัดก็ดีแสดงว่าโ ม, มหามันเยอะและการเบียเดเบียนอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอาิหิงสาวิจกคือดนดุในการไม่เบียเดเบียนอันนี้เราพบบ่อยยันที่บอกว่า ประโยชน์ว่าไอหิงสาโหสิในปรากฏในสังคมรู้สึกว่าแถวหกตุลาก็ประกาศอหิงสาโหสิชุมนุมอย่างสังบไอหิงสาเปลว่าไม่ เ, เด็ดเบียนมันเป็นจิตที่กรอบด้วยกรุณาต่อคนอื่นไม่ใช่เกิดได้ง่ายหรอฮะแล้วก็วิธีการที่ทํานั้นไม่มีลักษณะของอหิงสาอยู่เลยหรือเอาวิหิงสาอยู่เลย อิงสานี่เป็นแสดงกฤษนะวิ่ญิงสาเป็นบาลีเพราะเพราะเป็นการประทุษร้ายในการเผาล่นจิตด้วยความเบียดเบียนแล้วก็การเบียดเบียนเนี่ยมันมีความล้างผลาญอย่างแรงแล้วก็เป็นเมื้อร้ายอยู่ภายในใจของมนุษย์เพราะฉะจริงๆถ้าเรามองสังคมเนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยคือพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนคนในสองฝ่ายกระทันนั่นเองมันนอกกฎหมายมันนอกศีลมันนอกธรรมเลยพวกนี้ยคือบางครั้งไม่มีค่าพอที่จะเรียกว่ามนุษย์มันในโลหิตเองคืออย่างอย่างที่เราเรามองว่าการทุบตีผู้หญิง แต่ตัว็กมากนะครูจุลิงเนี่ยแล้วก็เป็นเด็กที่น่าอินดูก็คือนึกไม่ออกอะนึกเอาผู้ชายไปเอาไม้ไปตีเด็กผู้หญิงเป็นครูนะฮะพิจิงสลามเนี่ยเขานับถือโต๊ครูนับถือโต๊ะอิหมามนับถืออะไรอุตตารอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะนับถือแล้วก็ชาวพุทธเนี่ยคือให้ความคารับเป็ครูครูเนี่ย แปลว่าผู้ที่ควรแก่การเคารพมันออกมาจากครุขาะในความหนักัวครูเองแล้จะต้องหนักในความรู้ความประพฤติความคิดงานต่างๆความสามารถาต่างๆแต่การวางรบนเหมาะสมแก่ผู้ที่เป็นครูหรือผู้ที่ควรแก่การเคารพและการการออกมาในลักษณะอย่างนี้มัน ก็เตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะมันมันมีไม่สัตว์เดชานตัวใหญ่ๆที่ไปรังแกสัตว์ตัวเมียเล็กๆนะฮะเราก็ไม่เคยเจอแล้วก็เจอก็ก็บางทีเราก็พยายามจะไปมองว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันมีในสัตว์ป่าไหมเราจะดูรายการอนิมอลที่คาโปเรียอะไรเนี่ยเราพยายามดูลองการสังเกต ด, ดู แล้วเขาไม่พบอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าจิตที่มามีวิหิงสาในวันแรกเพรา ะ, ะพุทธเจ้าก็แยกแยกจิตออกมาแยกวิตกออกมาเป็นสองฝ่ายจากนั้นท่านยังไงก็รับสั่งข้อความตรงนี้จะจะปรากฏเยอะมากตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็รับสั่งว่า วิสุทธ์ทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสทรงตนไปอยู่อย่างนี้เห็นไหมความไม่ประมาทก็คือสติแล้วก็ความเพียรก็คือไอ้ตรงตรงนี้ไม่ไม่ใช่ความเพียรธรรมดานะเขาเรียก อ, อาตาปะหรือความเพียรที่เป็นไปทางกายทางจิตอยงแรงกล้ า, เ, าเผากิเลสให้เล่าร้อนทำลายกิเลสแล้วก็ มีความมุ่งมัน่นส่งตนไปแล้วแลวอยู่วันนี้ก็แปลยากหน่อยแล้วก็เแปลมาตั้งแต่โบราณนะท่านบอกว่าส่งตนไปอยู่อย่างนั้นหมายความว่ามีมีความมุ่งมัน่นเราเจนว่าเป็นอาการของอาการของของอิทธิบาทสันทักษ่ความพอใจแล้วก็วิทยาก็อยู่แล้วจิตตะก็มีจิตที่มุ่งมั่น แล้วก็วิบังษาวิบังษาที่จริงก็เป็นเป็นปัญญานะแต่ตอนนี้ก็เน้นไปที่สติก็คือการนั่นแหละสติกับปัญญาเขาทำงานด้วยกันเหลักการตรงนี้ที่บัลลังที่มาสอนมาสอนพวกเรานะสอนพุทธบริษัทในมาสติปฐานก็คืออะไรที่สมใช้คําว่าอาตาปีสัมปชัญโหนสติมาวินยะโลกเกปิชาโดมณัสสาอาตาปีก็คือความเพียรที่เผากิเลสาร้ อ, รอน สัมปชา n คือความรู้ตัวทั่วพร้อมสติมนาะคือความมีสตินี่คือเป็นหลักเลยทุกเรื่องนะฮะ ท, ทุกเรื่องหมายความว่อเราจะทำอะไรก็ตามสติสัมมัญ ญ, ญาความเพียนขาดไม่ได้แต่ว่าปริมาณในการใช้ก็ลดหลั่นกันไปตามภารกิจแต่ว่าการต่อสู้กับกิเลสภนในจิตนี่ผู้นี้ต้องเยอะถ้าความเพียยหย่อนนิดเดียวเนะียเราก็ง่วงฮะ ควาเย็นเนรเราก็ง่วงแล้วความเขียนเกินไปเราก็ฟุ้งแล้วเพราะนั้นพวกนี้มันจะต้องประคับประคองแต่ท่านฟังลองสังเกตะพวกนี้ที่จริงก็คืออินทรีย์อาตาปะก็คือวิริยสีที่เข้มแข็งแล้วก็ความไม่ประมาทก็คือสติก็คือสปิงอินทรีย์คือสติ ทีนี้เมื่อสติเขาตั้งมั่นเนี่ยจิตมันก็สงบก็เป็นสมาธิแล้วก็มีตนส่งไปเนี่ยคือมุ่งมั่นไปทางก็คือปัญญาธรรมะเหล่านี้เราต้องใช้ตลอดชีวิตซึ่งก็หมายความมาในบางกรณีเนี่ยจะต้องมีหนักแน่นมัน่นคงแล้วก็รับสั่ว่า การม the the ิตกย่อมบังเกิดข no ึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าการมิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่ความเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่ความเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่ความเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นบ้างอันนี้คือคือคือแน่นอนเลยเราจะนึว่ากิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อคุณแต่เกิดขึ้นเพราะโทษ แตในขณะเดียวกันโลกเราเนี่ยเป็นโลกที่อย่ำลมประการสาคัญว่าต้องกํากับได้ต้องควบคุมได้อย่างการมิโตกเกิดขึ้นนะสมมติว่าเป็นสามีภัรยากันเนี่ยกามิโตมันเกิดขึ้นใหญ่ยยแรงเกินไปถ้าแรงมันก็ออกจับออกไปหาสื่อทางเลยข้างนอกจนถึงบางครั้งเนี่ย มันก่ฟังรายการอะไรฟังแล้วน่ากลัวเป็นความคิดฝรั่งคือหมายความว่าเวลาแกอะไรอะ่ะหมกบุนคุณคิดทํางานทําการมากๆอะต้องการจะพักผ่อนเนี่ยมันอยากจะอยู่ร่วมกับผู้ชายสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีตัวเองเโอ้ความคิดนวิปริตเยอะอะคือยั ง, ย, งยังคิดอนะกระแสความคิดเหล่านเนี้ยต่อไปนี่ยสังคมถ้าอ่อนแอ สังคมทําให้ไปเน้นย้าเรื่องศีลธรรมเรื่องจิตสํานึกเรื่องมโนธรรมสํานึกเรื่องฮีดีโอตะปะเรื่องเมตตาเรื่อ ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอะไรต่างๆมันยุ่งนะคืออยนี้ว่าทิศทางสังคมเนี่จะไปยังไงเพราะอย่าลืมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าก็คิดเหมือนกันมันเหมือนกับมือปืนที่เข้ามานั่งคุยไม่มีคนเลวนะ ในมือมือปืนด้วยกันไนีพวกค้ายาบ้าอะไรกันเนี่ยไม่มีคนเลวอ่ะมีแต่คนเก่งมากเก่งน้อยอ่คนไหนที่ค่าคนได้มากก็ถือว่าเก่งนะเพื่อนยกนิ้วโป้งให้เลยอ่คนไหนที่สามารถคบ่าขายยาได้แล้วก็ปราตำรวจจับไม่ได้ก็เป็นฮีโร่ไปเลยเห็นไหมเพราะงั้นคนถ้าถูกสร้างให้เลวด้วยกันแล้วมันกลายเป็นคนดีกลายเป็นคนดีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยว่า มันเหมือนก็เราไปเข้าไปที่โรงพยาบาลบ้านเนี่ยเราเป็นคนบ้านนะฮะแล้วเขาจะกจะกลายเป็นคนดีเพราะความคิดเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องสำคัญมากการวิตกตุนึกเนี่ยเป็นเรื่องท้องถันถ้าคนเกิดเห็นพร้อมกันแล้วมันกลายเป็นความถูกต้องและอย่างที่บอกว่าบ้านประเทศเราเนี่ยมันเคยผ่านเรื่องหล่านี้มา ความร้ายแต่างๆการต่อสู้กันทางการเมืองอะไรอะไรแล้วก็จบลงด้วยเนิรโทษกรรมผู้นั้นเป็นอัากรนยะนะนิรโทษกรรมเพราะมันมันเยอะเกินไปเอ า, าเราโทษไม่ได้แล้วก็พอถึงเขาถึงถึงถึงถึงหนึ่งเขามีอำนาจอิทธิพลมากเขามีการต่อรองได้สูงเนี่ยเราก็ต้องล้างมลติทิ้งเลยกลายเป็นบริสุทธิ์บริสุทธิเลยจับล้างน้ํากันเลยนั่นคือลาาักษณะทางสังคมแล้วทำยังไงว่า ทิศทางความคิดของสังคมเนี่ยจะอยู่ในร่องในรอยจะอยู่ในคลองแห่งธรรมแล้วว่าสังคมถูกเบี่ยงเบนทิศทางออกไปเนี่ยอจะลืมมาความคิดแบบฝรั่งเนี่ยที่เขาพูดนะพวกฝรั่งก็กล้าวพูดอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อแพร่หลายมาในสังคมไทยอบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่เมือกระน้าหยดลงหินทุกวันนิดเหมืนอนก่อนเนี่ยที่ว่า และในสุดคนรุ่นต่อไปเนี่ยเขาอาจจะซึมซับแล้วก็มีพลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลุ่มกันหนาตามากยิ่งขึ้ น, นแล้วก็กลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเพื่อนก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นสิ่งดีไในกลุ่มของเขาในพวกของเขาทั้งทีนี้ถ้าเขาอยากขยายออกมากแล้วสังคมก็เดือดร้อนแหละได้ฟังไปไหน สิ่งทำจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมยะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเท่ากันสวัสดี